อ่อรังกียขอมีส่วนร่วมกับกลกเราปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมิตรเป็นเพื่อนได้ขอแสดงความเห็น <c oughs> โดยการพู ด, ดการบอกเวลานี้เรามาทำกรรมฐานนงานของชีวิตสร้างชีวิตใหม่เราได้ชีวิตได้กายได้ใจมาแล้วเอากายเอาใจของเรานี่มาสร้างอีกให้ได้ชีวิตจริงๆ กายใจมันเกิดเจ๋อเจ็บตายมันก็เป็นอย่างนั้ น, ม, นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนมันอยู่ในโลกในความร้อนความหนาวความปวดความเมือยความหิวอะไรหลายอย่างมันมีรสชาติของโลกของนาม ทุกเป็นทุกหลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธแน่ลูกตามไดไปอย่างนี้เราจะมีชีวิตแช่นี้มันไม่ได้แล้วเกิดมาเพิ่มมีลักษณะอย่างนี้แล้วก็เกิดแก่เจ็บตายไปอะไรมันมีค่ากว่านี้ตอบให้ได้ให้พกให้เห็นโดยการปฏิบัติธรรม พระุธเจ้าทรงสอนไว้พระองค์สมัยเป็นเจ้าว่าชายก็ถือว่าเป็นการบ้านอันหนึ่งซึ่งไม่ยอมคนมีสติปัญญาจะไม่ยอมจะหาคำตอบให้ดีกว่านี้จงสวงหา พอได้พบเห็นวิธีการส่องหานี่ก็ <c oughs> ให้ที่สุดก็มีสติไปในกายอันอื่นท ร, รมาเกือบหมดได้มีวความรู้มากมายเรียนจบสิษเกาศศาสตร์ตามภาษาของโลกสมัย สองพันกว่าปีละขนาดไหนก่อนที่เหรียญจบสงโสงล้วก็ไม่ไม่จำนวนลู้อะไรมาเป็นอย่างไรความลู้ที่ลู่มาเกี่ยวกับวันลายเอาก่อมันเชื่อได้ไหมอันไหนที่ยังไม่ลู้ ในชีวิตเราก็ามีสติปัญญาก็จ้องง่ายจำนวนต่ออะไรง่าแ ม, ไ ม, ไม่ไปศึกษากับครูอาจารย์อุตสกาตาบทตลาดตาบทแล้วก็สอนให้จนจบยังไม่เป็นที่พอใจคนมีปัญญาต้องมีอะไรตีกว่านี้ออกบวนแล้ว มาอยู่นี่จดสาหอดได้เวลาจดกษาเรื่องนี้จริหกปีปีที่หกจะมาอาศัยตัวเองมีสติไปในกายตอนที่โ อ, องค์งสองสอนแล้วเราก็เอามาทำอยู่อันเดียวกัน กายก็อันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าร้องหลงโงกอดความทุกข์อะไรต่างๆเหมือนกันหมดแต่มื่ศึกษาไม่ให้มันเป็นใหญ่ไม่สติเป็นใหญ่กว่าตัวมันเห็นมันมันคิดเห็นมันคิด มันร้อนมันหนาเห็นมันร้อนมันเหนามันแสดงออกเรื่องของกายของใจมันแสดงออกมันเคยแสดงพราบัดเรามาดูมันแล้วไม่ต้องทวงตามมันทุกอย่างเสมอไปโดยคิดก็คิดชื่อว่าคิดก็คือความคิดเคยคิดมาแล้ว ชื่อว่าทุกข์คือความทุกข์ชื่อว่าโกูคือความกาูชื่อว่าจิเลีตนหาก็คือจิเดีตนหนาเคยเคยเป็นมาแล้วเคยใช่มาแล้วหลงก็เป็นหลงมาแล้วโกรธเป็นโกรธมาแล้วแล้วก็โหยค้นมาแล้วแต่ไม่ยอมกำหนดมันงานคิดถึงเพิมพ่มเถงะออกันคิดก็เห็นมวนคิด มันร้อนมันหนาวมันทำท่าจะเป็นไข้นั่งอยู่ต้นไม้หอมร่มต้นไม้ฝนตกแต่ดออกโยงกาดเตืบกาดอยู่งกัดทาท่าจะไข้จะเป็นอะไรอ๋รู้มันเองอะไรที่มันเกิดขึ้นขณะที่ปฏิบัติทําขณะที่มีสติมันก็แสดงหมดทุก เงิงทุกดาวที่มีอยู่กับกายกับใจเจได้ขั้งตอบขั้งกายชวว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคนตัวตนเราเขาสมัยก่อนเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นกูกหร้อนกูหนาวกูปวดกูเมยกูหิวกูเจ็บกูอะไรต่างๆแล้วก็กูพอใจกูไม่พอใจบนนันน่นดีกว่าอันนี้ดีกว่า ราไม่ไปอันดีไม่ดีเป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่เราจะรู้แม้มันจะมีหลายซ่อนเกิดขึ้นความคิดเกิดเป็นความโศกความพอใจก็รู้มันหลักดูมันหนโศกมันทุกข์เห็นมันสุกทุกข์ไม่ใช่ตัวใช่ตนพอใจไม่พอใจไม่ใช่ตัวใช่ตน <c oughs> เห็น ให้วันคิดไปก็เห็นคิดก็สกว่าคิดไม่ใช่เรามีตัวไม่ตนอยู่ในความคิดแต่คิดไหลเป็นไปตามความคิดไปไปเป็นหลักยืนหลักอยู่ตรงนี้เอาเกิดอะไรขึ้นถ้ามันออกมาเราจะดูมันเราจะไม่เป็นไปกับมันก็ทำอย่างนี้ดูไปดูงามมัก็ ไม่ได้สแสดงเต็มที่มันก็เกิดอาการต่างๆทั้งกายทั้งใจเรี่ว่าเกิดธรรมาทีมันก็สงบบันนีก็พุ้งซ้อนบางทีก็รังเลสงสอยบางทีก็มีการมลาคะาปฏิคะบางทีก็งัวงเงาหัวนอน เ, อเห็นมหม มันรวมกันทั้งสอ ง, งทั้งโกูกทั้งนางทั้งกายทั้งใจรวมกันเข้าเป็นตัวเป็นตนให้ได้ไม่จะห่องย้่อะไรไปไม่ไปตายเป็นตายก็ได้ตัดสินใจแล้วแน่นอนที่สุดคนที่มีความแก่นก็มีศรัทธาฉลาดมากกระโดดได้ไม่เหมือนคนธรรมดา <c oughs> สู้บุบเปิดก็สูส้อะไรก็ขึ้นสูนต้าตายเป็นตายตอนตายไม่มีค่าความฉะนั้นคือจุดหมายเห็นหลยก็ไม่เป็นกับมันมีนจุดหมายที่ตั้งเอาไว้ ชนะเคยจดหลายความตายไม่มีค่าตัวเก็บไม่มีค่าจกทุกไม่มีค่ามแต่เห็นมันได้ตั้งสัจจะที่สารไว้ในตอนย่ำค่ำเราจะนั่งที่นี่ที่เดียวจะไม่ลุกอีกไม่เกิดอะไรขึ้นเราจะทำเรื่องนี้ เลือดเนื้อเงือเอ็นกระดูกกระปูพังก็ก็ตามต่อไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่รู้แจ้งในเรื่องกายเรื่องใจาตายลงตัว น, นี้ตัดเฉียงใจไม่หวั่นไหวเข้มแข็งมากมีสติเข้าไปอีกในความอ่ อ, อนแอมันไม่ความเข้มแข็งในความสุขมันไม่มีความมันไม่ไม่ไม่มีสุข คือเชื่อมแสงในความทุกข์มันก็ไม่มีทุกข์คือมันเชื่อมแฉงตามตัวแล้วมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> ในสุขไม่เป็นสุขในทุกข์ไม่เป็นทุกข์ในหลงไม่เป็นหลงมันผิดไม่เป็นผิดมันถูกไม่เป็นถูกมิได้เห็นทางมันก็นกบอกเป็นอย่างไง ภาวะที่เห็นนี่ไม่เป็ี่นมันเป็นยังไงต่างกับภาวะที่เป็นไหมแต่ก่อนสุขเป็นสุกแบบนี้เห็นมันสุกไม่เป็นผู้สุขมันจะต่างกันบ้างเป็นวิทยาศาสตร์ระหว่างสองอย่างเป็นสิ่งเปรียบเทียบรวมหลงไม่หลงไม่เป็นผู้หลงรวมโกรธเห็นมันโกรธไปเป็นผู้โกรธ มันคิดเห็นมันคิดไม่เป็นคุยคิดเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้จาผู้ที่ได้สัมผัสเอาชีวิตเป็นเดิมพันต้องมีเรามาทำอยู่ขนาดนี้ก็เป็นเหมือนแบบนั้นตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้ให้พะสูตรสติปัฏฐานสูตรเป็นทางอันเดียวกันสายเดียวกันเช่นเดียวกัน ไอเดินทางตรงนี้ต้องเจอเรื่องนี้แน่นอนแต่เดินเดินได้แต่ว่าสิ่งแวดล้อมมันจะต่างกันกับกับผู้ที่ถึงจุดหมายปลายทางบางค น, นยากจะเป็นยากอยู่เช่นนั่นเลยไม่ไปไม่ได้ผิดก็เป็นผิดอยู่เช่นนั่นไปไม่ได้ ให้ผิดเป็นผิดให้ถูกเป็นถูกให้ได้เป็นได้ให้เสียเป็นเสียไม่ได้ก็ไม่ได้หลที่ตั้งไว้ผิดแล้วจึงอ้ค่าว่าหลีกทางหรือสะดุดไปไม่ได้เอาความยอกพาหยุดให้ความง่ายพาทำให้ความผิด เป็นริงไม่ได้ให้ความถูกเป็นริงได้มันก็ไม่ใช่แบบนั้นผิดถูกไม่เป็นไรรักชังไม่เป็นไรลัร่งจิตไม่ได้ถามไปแบบนี้ัวตายจะยากขนาดไหนเรามามหนูภาพลองดูซิ <c oughs> นั่งอยู่ต้นศีรษโพธ์ไม่มีคนสักคนเดียว พวกเรายังอยู่นี่ยังมีเพื่อนมีมิตรมีเครื่องช่อยมีอะไรที่อาศัยได้มีปัจจัยอาศัยได้แต่พระองค์นี่อยู่ลําพังอง์เดียวที่นั่งกับาญ้าคาห้ากำมือโสดที่ผามให้ถือมาระหว่างข้ามแม่น้ำในรันชลามีหญ้าคากรมเดียวนำมาพูนั่ง เรานี่ไม่เป็นอย่างนั้นขนาดที่เราไม่ขนาดนั้นก็ยังหรือว่าไม่สะดวกหาความสะดวกในการใช้ชีวิตเระองมาด้วยว่า ไ, ได้มีสักเล็กน้อยเลยความสะดวกในการใช้ชีวิตเนี่ยหาความสะดวกในการสองผัดกับการปฏิบัตินั้นหลง เห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงสะดวกมันชิดเห็นมันชิดไม่เป็นผู้ชิดสะดวกกลัวอันอื่นทําให้ไม่ได้วัดตัวสงของช่วยไม่ได้เป็นการปฏิบัติลงไปมันทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกสะดวกที่สุดผ่านได้ก็ทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุก ผ่านแล้วนั้นโกรธเหตมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธผ่านแล้วมันจะมีกี่ครัง้งกี่หงก็ผ่านได้ทุกครั้งจนประสบการต้างหมายจากปทเรียนที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ใช่บทเรียนจากทัจนานุตริยาแบบภาษาโลกโลก ทัศนานุตตริยาเเห็นเนื่องนี้ที่ว่าทัศนานุตตริยาเห็นมันทุ ก, กเห็นแล้วไม่มเป็นผู้ทุกปฏิปทานุตตริยาพ้นจากทุกวิมุตตานุตตริยะนี่คือทัศนาในชีวิตจริงๆทัศนานุตตริยนะเห็น ปฏิปทานุตริยะไม่เป็นปิมุตตานจายะหลุดพ้นแล้วไม่อะไรเกิดขึ้นพ้นทุกอย่างมันก็เกิด <c oughs> แบนี้ชํานานอะไรที่ทําบ่อยๆชํานานขึ้นชานานขึ้นเรื่องหยากลายเป็นเรื่องง่ายเรื่องหนักกลายเป็นเรื่องเบา เกิดกาลลงมตาเมากายคิดตาลงมตาเมาคิดชีวิตไม่ได้ใช่อะไรคิดเป็นความคิดสุขเป็นสุกทุกข์เป็นทุกข์มันใช่หนักใหมานหนักบางลงไม่เป็นอะไรบางลงไม่ได้ใช่เมื่อกดลดลงมา ลก็นหนักเต็มพะาะาสเต็มหัว่ว่าเห็นก็ไม่หนักลถลงมาลถลงมาอยู่ที่นะหน้าอกลถลงมาลถลงมาน้ำหนักไม่มีที่จะให้เป็นเลยเบาแต่ว่าที่เบาเนี่ยมันก็ไม่ใช่พลังงานสามารถนั่งได้เดินได้ ถ้าทำบหนักอะไรก็หนักกันทำอะไรก็ยากนั่งก็ไม่ได้นานเดินก็ไม่ได้นานมันไม่เบาพอเหนื่อยก็เป็นเหนื่อยมันก็หลังเห็นมันเหนื่อยไม่เป็นผู้หน่อยันจะลดภาวะลดน้าหนักลงลดน้าหนักลงเบากาลงหัวตาเบากายจิตหลงหัตาเบาจิต มันเบาดได้ของยากเกเ็บเก็บของง่ายของนักเกิดเป็นของบอดูดเหมือนเชียงคูบหลงเขาแต่ใบใบเหมือนชิงคูบ ข, ขึ้นเขาง่งายที่จะหลงต่อไปต่อไปง่ายที่จะรู้นิดหน่อยก็รู้ได้เพราะมีสติมันนั่งก็มากทำแล้ ม, มันมาก มันไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ใช่ไม่ได้อะไรทันทีเป็นปัจจิตังทันทียิ่งกว่าทำมันอื่นปลูกข้าวต้องเป็นปีจึงได้กินเก็บผลปลูกพริกปลูกผักต้องเดือนสองเดือนจึงได้เก็บผลแต่ไม่ฉันีนทันทีทันทีเลยทีเดียว มันก็ขยันแล้วนะศรัทธามากอทาอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ก็เกิดความขยันขึ้นมาปลารุกความเพียรประคองตั้งได้เสมอภ า, าวะที่รู้ภาวะที่รู้ก็ไม่รู้เฉยๆนั้นมีอะไรที่ผ่านไปมันก็ไม่หลงเหมือน แสงก็เกียงมันมีแสงสว่างมันก็ไม่สิ่งที่มันไม่สว่างแล้วก็หวังครับทั้งหมดไปหมดไปความมืดหมดไปความหลงหน้อยลงความรูม้มากขึ้นมากขึ้นเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจที่มันเป็นภพเป็นชาติเป็นภูมิอืมันก็ผ่านได้ไม่มีภพไม่มีภาวะแต่ก่อนมันมีอวิชชา ไหวเกิดสังขารปรงแตงตปแบบนี้มันไม่วิชามันก็เปิดอบิสังขารไม่ปรุง่่าไมถ้าไม่รู้ก็ปรุงถ้ารู้ก็ไม่ปรุงแต่วิชาเคยไม่รู้ไม่รู้เรื่องชีวิตจริงๆไม่รู้ไม่รู้กายไม่รู้สุขทุกข์ไม่รู้จิตที่มันคิด ให้รททู้ธรรมได้บันเกิดขึ้นเรียกว่าาวิชาโกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงอวิชาไม่ใช่ปริญญาที่เรียนมาสิบเกศศาสตร์เจ้างโกรธอยู่อยองหลงอยู่ยังทุกอยู่วิชาที่มันเกิดกับชีวิตจริงๆ ม, มันไม่ใช่วิชาแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเอามันเป็นวิชาหลงไม่เป็นหลงก็นละอันกัน มันหลงมันก็มีไม่หลงก็มีนี้วิชาสังขารมีมันปรุงไม่ปุุงก็มีรี่ว่าวิชาสังขารเป็นอวิชาวิสังขารเป็นวิชาสังขารคือปุุงวิสังขารคือหยุดทุกคือเป็นสังขารไม่ทุกคือวิสังขารโกรธเป็นสังขารไม่โกรธเป็นวิสังขาร เหมือนหน้ามือเราเอามาง่ายทาไปไปมัง่ายก่ะสนุกไม่ใช่ยากนั้นขยันมีความเพียรแน่วแน่แนี่มันเป็นจางนี้ผ่านไปไปข้ามไปข้ามไปข้ามไปก็เกิดอะไรขึ้นมาํำนาน ยาตาปัญญาชํานานในการเห็นตีละคณาปัญญาทํางานในการแกะแกงไม่ให้เป็นุ้นเป็นก้อนทะลุทะลวงมองอะไรทะลุทะลวง ป, ปัญญาทําให้หมดไปมันมีปัญญาปัญญาพุทธะไม่ใช่ปัญญาทางโลกเป็นศาสตร์ตัณห์เป็นทั้งศีลเป็นทั้งศาสตร์ ปฏิบัติทํามนะั้นมันมีหลักมีฐานไม่ใช่งห ม, มมสาวสาวมันหลงก็มีไม่หลงก็มีปเปรียบเทียบดูอันหลงเป็นยังไงเป็นธรรมไหมถูกต้องไหมไม่หลงเป็นไงเป็นธรรมไหมถูกต้องไหมไม่มีใครตอบให้ไม่แต่เราตอบเองไม่มีคําถามคนอื่นถามตอบ สอบพันไปได้ไม่มีคําถามพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นเห็นก่อนพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นคิดเห็นมันมันมันกลายตอนพบเห็นมันเดี๋ยวนี้การพบเห็นนี่มันของจริงกว่าคิดเห็นไม่จริงทำอะไรไม่ได้ถ้าพบเห็นเราทําได้เห็นงูก็เลีกงูได้ น้นาก็หลีกหนามได้เรียกว่าพกเห็นค น, คนที่พกเห็นชีวิตที่พกเห็นชีวิตที่พกเห็ น, หนไม่ใช่ชีวิตที่คิดเห็นชีวิตที่เกิดการพกเห็นแปดหมื่นสีพันอย่างที่เกิดก่อน ก, กับไกนะ่หลกไปได้นี่คือความไม่เที่ยงพกเห็นแล้ว นี่คือความเป็นทุกข์พบเหยนแล้วนี่คือความไม่ใช่ตัวตนพบเหยนแล้วมันหลอกไปได้ทำไมจึงนี่ความเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงมันทุกข์ไม่ได้ทำไมจึงเป็นทุกข์ควมเป็นทุกข์มันทุกข์ไม่ได้เออไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์ถ้าพบเห็นแล้วความทุกข์เป็นทุกข์ความทุกข์เป็ไม่ทุกข์ถ้าพบเห็นแล้ว คนที่พกเป็นเป็นอย่างนี้นันก็ยิ้มได้มันเป็นเรื่องง่ายๆเช่นผมบองภูเขาแลวก็ไม่พลังทลาไม่มีอะไรหลึงลัดลัดหลึงได้ไม่เด้หลุดพ้นไม่ได้หลุดพ้นเป็นจุดหมายเป็นจุดหมาย ผ่านได้ผ่านได้ผ่านได้จะดวกสะดวกสะดว ก, ดวกไถท่ทำก็ได้ก็ แ, แต่มีรูปมีนามไม่เกี่ยวกับเพศกับวัยกับปฏินิการกับชาติกับศาสนาไม่เกี่ยวมันก็สากลนสากลแหง่งธรรม ในโลกนี้ชื่อว่าโลกนามออนเดียวกันหมดมีร้อนเหมือนกันมีหนาวเหมือนกันมีโกรธก็เหมือนกันกิเลสอันหาก็เหมือนกันปวดใจเจ็บตายเหมือนกันกลัวม่เที่ยงก็เหมือนกันกลวไม่ทุกข์ก็เหมือนกันคลัวไม่ใช่ตัวตนก็เหมือนกันเป็นฉากลจึงเป็นชัดเจนธรรม ซึ่งจะเต้นสัจธรรมไม่ใช่สมมุติบัญญัติเป็นปรมาจักรเวรโกรเป็นสมมุติบัญญัติก็ไม่โกรเป็นปรมตาจักรเราจะไปรับสมมุติไม่ได้ปรมัตรมันมีมันมีอยู่คม ข, ขืนไม่ได้จะบังคับไปโกรมันไปได้ไหมเป็นสมมุติบัญญัติ ไม่มีแนวร่วมตละมัดจัดจดมันเป็นจริงอันนี้เหนือสมมตุติเหนือบัญญัตินั่นก็เข้าแถวให้เราดูทั้งหมดในรูปในนามวันที่มันเคยเกิดมันไม่เกิดอันไม่เกิด มันก็หมดมีโอกาสหมดไปเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นก็กำจัดขวามืดฉันได้แล้วก็เปลี่ยนไปพ้นาา่าวเป่าเก่าต่างที่เด็ูค ว, วันก่อ น, อนว่าเมื่อมันเดินทางอยู่อย่างนี้มันชํำนานมากก็เกิด ยานเริ่มานั่นยานคือร่วงข้ามเพลนหวะสานุสติยานนั้นต่างเก่าไห ม, ไมเดี๋ยวเมื่อก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เป็นยังไงต่างไห ม, ไมแล้วก็ต่าง เปรียบเทียบยังไงก็มันก็ต่างอยู่ดีจะทิ้งไปให้มันรักมันก็ไม่เอาจะทิ้งไปมันโกรธมันก็มันทุกข์มันถุกมันทุกข์มันไม่กล้าเอานั้นเต็นไปหมดเเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่แต่ก่อนเป็นเด็กน้องเอ็ขี้โคลนก็หลงไปเลื่นนไดต่อแม่ดึงว่ามาอยู่บื่นลงไปเรียกขี้โคลน ต้องเอามาล่างเดี๋ยวนี้เราเป็นผู้ใหญ่จะให้ลังเป็นเล่นที้โคนไม่ได้เจิงศกปกความหลงศกปกเพื่นอนความทุกข์ศกปกหวงโกรธความรักค ว, ก ว, วามชั่งศกปกไม่สานไม่เป็นอะไรเนี่ยคือโยกทางความรักเมืไม่เป็นเลยก็มีอะไรเกิดขึ้นนีแต่ความเมตตากรุณามีโอกาสที่จะ ใช้ชีวิตได้มากที่สุดทำประโยชน์ได้มากที่สุดยิ่งใหญ่มหากุณาที่คุณเกิดขึ้นความฟ้องกันไปเป็นญานเกิดขึ้นปลุกเพนหวาสารสจิยานดำลึกถึงอดีตปัจจุบัน จุตปัจจยนอยู่ในฐานะแบบไหนชีวิตอยู่ในฐานะแบบไหนเกี่ยวนี้อยู่แบบแบบไหนแต่ก่อนอยู่ยังไงเมื่อเมือเกิดนี้ขึ้นมันก็คิดอยากช่วยคนอ๋ออาสวัคยานทำไมชิ่นไปอันเก่าชิ่นไปมีพบใหม่ขึ้นมาชีวิตใหม่ขึ้นมาณว่ะชีวิต ขึ้นมาใหม่เยี่ยมเแต่ว่าผมไม่จอนคือไม่เปิดเพื่อนกับสิ่งใดเห็นไม่เป็นเนี่ยคือผมม่จอนมัสุขเห็มันสุขไม่เป็นผู้สุข ค, คือผมม่จอนมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์คือผมม่จอนนั้นโกรธเห็มันโกรธไม่เป็นผู้โกรธคือผมม่จอนโมดิฉุดโปดิโหวนสิ้นเชิงอะไรที่เคยเป็นมันไม่เป็น เลยสะอาดตัวผมไม่จันตากาศผมไม่จันมีอัฐมีพยัญช น, นะพูดได้ศอนได้บอกได้มีจริงมีเท็จมีจริงอย่างนี้อยากจะบอกความเท็จความจริงอย่างนี้มันหลงก็ไม่หลงก็มีงานทุกข์ก็ไม่ทุกข์ก็มีมันโกรธก็ไม่โกรธก็มีอะไรไมันมีคู่ม<อ>ันก็ย่างไปไหลไป ไม่ Christie, มยขวางกันได้ก็เหมือน ala. ทะเลก็ทะเลวางลึกลงไปเหม um. ือนทะเลลึกลงไปลึกลงไปตี่ท uh ุรก็เห็นตบเห็นช็อดก็หลมโนโสกปฏิปุตุใจความทุกข да ์ความเกิดเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์วามเกิดเป็นทุกข์ ความพลาดพาดกของลักข้อชอบใจเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความชอบแค้นใจเป็นทุกข์ปัญหาชิงใดไม่ได้ชิงนั้นก็เป็นทุกข์เมื่อระโยบุตานขันธ์นั่งห้เป็นตัวทุกข์รูปปั้นจังรูปไม้เที่ยงได้เป็นทุกข์เพราะลูกได้เป็นศุรเป็นทุกข์เพราะเวทนา เคยเป็นสุเป็นทุกข์เพราะสัญญาเคยป็นสุขเป็นทุกข์เพราะสังขารเหมือนกัมันมันดื้่่่่นน่่่่่่่่่ญญ่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ด่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ต่งอันต่างจะเอาเพื่อความอยู่ของเขารูปก็จะรูปให้ได้เหตุนาเวทนาสัญญาก็เจาสัญญาให้ได้ก็ยอมที่จะเก็บไปจนติดเป็นวิญญาณวิญญาณคือมันติดติดอะไรเพราะมันมีรูปมีเวทนาสัญญาดัเป็นทุก ดูไม่เป็นทุกข์เวทนาไม่เป็นทุกข์สัญญาไม่เป็นทุกข์สังขารไม่เป็นทุกข์ปิญญาไม่เป็นทุกข์ขนาดแล้วด่าโดยย่ออุปทานขันธ์นะข้าเป็นทุกข์มันโชวขันธห้ามันโชเป็นเรื่องง่ายเปนะน่านายที่เป็นทุกข์มีความทุกข์เป็นมานหน้าชะลา ความเกิดเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความเก็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์มันก็ไม่ถูกมันเกิดเกิดอะไรเกิดขึ้นที่เป็นนามเป็นนามมาลูกมนดันหหยุดหยุดวองลง เด้ไมาาา่ไม่เรียนภาษาบาลีไม่เรียนภาษาขันนั่นจกอันทุกนันแหละไม่ไม่มีค่าหมือ น, นก็ทิง้งไม่กลิ้งนห้นทิง้งแต่ก่อนเป็นขอบกาดุง้งทิ้งไปทิ้งไปมันกลิ้งไปจนสุดเหวี่ยงมันจึงล่มลงเดี๋ยวนี้มันตัดวัฏฏานโลนก เหมือนแบ่ออกทิ้งไปก็ตกที่เดียวชักแต่ว่าชักแต่ว่าง่ายเหมือนขอบกระดงฉักแต่ว่าหยุดชักแต่ว่าเห็นฉักต่ว่าได้กินชัต่ว่าได้ลดชักแต่ว่าเวทนาชักต่ว่าสังขารชักตว่าวิญญาณลู่แง้งลู่ชัดหลอกไม่ได้ เกิดไม่เป็นทุกข์เก่ไม่เป็นทุกข์เก็บไม่เป็นทุกข์ตายไม่เป็นทุกข์ไม่กำเบิดนี่ยหมือนพระเจ้าที่องค์ไนิจจารุตรงพระสูตรปริพาณสูตรนั่นเรื่องของชีวิตเราที่ปฏิบัติทำเนี่ยแต่พระองค์เป็นชาติสดาพูดไปทีเก็บเลยลำดับลำนามสอน สี่สิบพันหลาปีจำนานมากจำนานในเรื่องการสอนทุกรสทุกชาติหมุมใดแงไดจำนานมากมาสอนจนเป็นพระโสดจนเป็นพระตไตรปิฎกมีหลักมีฐานในเป็ตเทศมีหลักมีฐานอยู่ในชีวิตเราเน หรือว่าพระไติวิดกก็ได้กายใจเนี่ยรูปน้ำเนี่ยมีหมดทุกอย่างในรูปในน้ำในกายในใจเราเนี่ยมันก็ได้ชีวิตขึ้นมาเอาชีวิตที่ได้จากกายจาใจมาสร้างชีวิตที่ไม่เป็นชีวิตชีวิตที่มันได้มันคื อ, อไรมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงคือชีวิตแบบเนี่ย มันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์นี่คือชีวิตงันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธนี่คือชีวิตนั้นเกิดไม่เป็นผู้เกิดเห็นมันเกิดนี่คือชีวิตมั้นเจ๋อเห็นมันแจ๋ไม่เป็นผู้แจ๋คือชีวิตมันเจ็บเห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บคือชีวิตมันตายเห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายไม่มีใครตายใครควงตายควรไม่ตายคนละัน ไม่ได้ตายผู้ความตายไม่ได้เจ็บผู้ความเก็บนี่คือชีวิตจริงๆชีวิตจริงๆมันไม่เป็นรดังนั้นเป็นอะไรไม่ใช่ชีวิตมันปลอมถ้าเราเกิดมาแก็เจ็บตายเฉยเฉยมันไม่ใช่ได้ชีวิตมันมีแต่มารอวันแก่วันเจ็บ ว, วันตายแค่นี้หรือชีวิตของเราเราจึงมาศึกษาดูเพราะเป็นไปได้ศาสตร์พระพุทธในหวังทาง ปฏิบัติธรรมประเพณีของคนไทยพอเป็นไปไดานี่ผู้บอกมีผู้สอนต่อกันเปล่าพอกันมาถึงยุคนี้สมัยนี้อันเดียวกันถึงที่เราสอนกันชี้เตาทําอยู่ก็อันเดียวกันกับสมัยผู้ทีเจ้าอันเดียวกันหมดไม่หนีไปไหนมรรคผลนิพพานไม่หนีไปไหนพ้ะพเจ้าเห็นทำแบบนี้จึงได้เชื่อพระพุทธเจ้า เห็นสิ่งเหล่านี้คือว่าพุทธเจ้าถ้าเห็นแล้วเป็นพุทธเจ้าเฉยๆไม่สอนคนไม่รู้โอ้สอนคนรู้ตามรลยวะสมมาสมพุทธโถนะรูปเนี่ยธรรมจักรเนี่ทยที่วนศีสันเนี่ย็ขามาถวายตอนตอนตอนนั่งอยู่นะสี่ห้ารูปเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเฉยๆรูปที่มีธรรมจักรอยู่วน หัวนี่เป็นสัมมาสัมพุทธโธสอนคนลู่ตามชื่อว่าสัมมาสัมพุทธโธแน่นอนแล้วก า, ารตัดเลูกของเราไม่เป็นหมันก า, ารตัดเลูกของเราไม่เป็นหมันเปล่ามีผลตอนชาวพิรุธตามยศาลังบุตรลู่ตามในสาวกกจุด ลูกเพื่อไหมทำไมแลวก็สงไปกาสงไปประกาศพระศาสานาต่อมาอีกสองสาม้อยปีพระเจ้าสรงหราล่าสงสำถงนาเสร็จแล้วสรงธรรมทูตไปเผยแร่ศาสนาเ้าสายเมื่อถึงเหมือนไทย มีพระโสดะพระอุตรละนำมาประเทศไทยสุวรรณภูมิเราก็ได้รับพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยนั้นศีลังกากรัาเห็นท่าเทศ์ละอ่ากับใครเดินเรามีศาสนามีคำสอน จนมาถึงยุคที่มีความสอนชัดเจนพุทธทาสมาถึงยุคหลงพูอเทียนนั่นนี่เป็นกรรมฐานร่นล้วนๆลวงพอเทียนไม่ใช่นักชาตการชาตพุทธาตแตกขานภาษาพูดได้หลายเงี้ยหลยหมกหลวก็เทียนมาสอนแต่ไปยกมือช่างจังหวะนั่นก็ตรงเท่านี้ก็พอแล้ว สุขขวิปจโกผู้ปฏิบัติกรรมฐานล้วนๆถือว่าเป็นอาเชกบุคคลได้สุขขวิปจโกผู้บำเพ็ญสมกรรมฐานล้วนๆโ อ, อ้ยไม่ใช่อ่าพินยาไม่ใช่อะแบบมีสิทธิเท่าเทียมกัน <c oughs> แล้วเราก็เหมาะสมในสมัยนี้มันมันขยา่า เลีอกลองความรู้จึกจเกินมาเรียกลองความรู้จึกจเกินมาพอเพียงพอเพียงมันหลงลู้ลขึ้นมาหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างปิกมือยกมือคว้า ม, มือเนี่ยเพียงพอแล้วไม่ต้องไปแบกตำราอะไร้มันมีอยู่เนี่ยเวลาเราปฏิบัติเหมือนก็เราอ่านตำลา เราไ ม, ม่เห็นความโกรธไม่เห็นความโกรธไม่เห็นความหลงเห็นความหลงเจาะเอ๋เจาะเอ๋ความหลงเจาะเอ๋ความคิดแต่ก่อนเป็นสุขเป็ทุกข์เพราความคิดบรรยยัดนี้ไม่ต้องสุขต้องทุกข์พราความคิดเติดขาดในชาตดนี่เอาละพอแล้วความคิดนจะมาชังอะไรให้เราเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ได้เราเป็นชีวิตตัวไม่เป็นไยนเลยกมันเลยนี่คือชีวิต ไม่ใช่จิตไม่ใช่อะไรมาต่อรองมันเป็นคิวิตหลุนล้วนบริสุทธ์แบบนั้นถ้าเป็นจิตก็คืออันนี้แหละถ้าจิตที่มันคิดให้เป็นสุ่วปุทุกไม่ใช่เด็ดขาดจิตเป็นใหญ่ไม่ใช่ตัวนั้นเป็นใหญ่จิตเป็นใหญ่คือเพราะว่าเ น, นี่ยไม่เป็นไรนะนี่คือปฏิบัติธรรมเป็นอย่างแน่ให้พิสูจน์ลองดูอย่าไปเชื่อค่ะ เราจะเป็นมีเป็นเพื่อนเ้ากรออยู่ที่นี่ราก็อยู่กันด้วยอ๋อสองคนเจอเวลาแัดนี้กรบพระห้อมกับ